بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل به وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจ้าล็อกสุบฮานโอตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกทุกท่านนะครับในชั่วโมงแรกวันนี้มีสองชั่วโมงนะครับมีสองคาบนะคาบแรกนะครับก็จะเป็นคาบกุรานปกตินะครับผมก็จะทำหน้าที่ในการอ่านแล้วก็แปลความหมายนะ ส่วนอีกหนึ่งคาบนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติาจากท่านอาจารย์บุคอรีเหมพีมนะครับจะมาอาจารย์บุคอรีเหมพี ม, มถูกไหมจะมาบรรยายในชั่วโมงที่สองนะครับสิบมงครึ่งอีชลลั่วโมนะก็จะพูดถึงสถานที่พำนักอันถาวราก็เห็นทำโปสเตอร์น่าจะพูดถึงสวรรค์นะครับพูดถึงสวรรค์นะก็ ดังนั้นเวลาในการเรียนกุฎานของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ยาวเหมือนผมสอนคนเดียวนะถ้าสอนคนเดียวนี่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงถ้ามาสองคนก็จะเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับนั้นก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอาุบิน <ugh>. มินัลเชยตานีอราชิมบิสมิลลาฮิรอฮ์มานีลฮ الحمد لله رب العالمين لل الع الرحمن الرحيم مالكي الر ال يوم الدين อียาคณาบุญและอี ا าคณาสตาอินอิห์ดีนอَิราตัลมุสตัคีมสิราตัลที่นาอันงามต่าลัยห์ม غير المغضوب ِ الم عليهم َِ ولا الضالين َ ل َ ي อ้างอิงอ้าَอิงِ้างَิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้ ن ง ا ل งَّางอิง วัล ah, ูอาลัยหิมนาบับนอาดามะบิลกอิร์รับะคุบออยู่ตรงคุบานะนะครับ วัดลูอัลัยฮิมนาบะอับนัยพี่น้องดูให้ดีนะอับนัยอาดามะบิลฮักกีอิกอรรับกุรบานะอีกรอบหนึ่งวัลูอัลัยฮิมนาบะอับนัยอาดามะบิลฮักกีอิกอรรับกุรบานะ ฟตุคบَลล์ِินอหَดีฮิมาวะَาَิยุตักบัَมิน خ ลัคฮาริก ل َลَ ق ْ ت ตَุ ن นّ ك ก อัลฮัมดุลิลละดูสองตัวตัวแรกฟสตูกุปอ่าตูกุบนะฟสตูกุปบีลาส่วนอันหลัมอ้าอลหลังขอโทษทีอัลหลังวลอลามยูตะกอบบาลแฮะเห็นไหมแล้วก็มีนัน่นอะคอรีไม่ใช่คีรีนะมีนัน่นอะคอรี กอล่าลามีล like ่าสองอันกอล่าล่าอากตุแลนน็กกอล่าล่อากตุแลนนักอ um ่าดูจช้าๆนะครับอ่าอีกรอบหนึ่งเฟตูก yep ุบิเลมินอาฮัดฮิมาวะเลมยูตะกบ เบลไม่ในอัِฮَริกาลละอักตุลันเนกอัลฮัมดุลิลลา ก็เล่าอินนั้นไม ا ยากตักบาลุ ا ل อฮฺมิณัลมุต ل ะกิน ต่ออิละนาอสนา อันนี้อ่านอันนานะครับมาอันนะอันนบีบาลซิโตบีบาลซิโตแล้วก็ลาอิมบาัดนะอันนี้อ่านให้แน่นไปเลยนะลาอิมบาัต enfin ไม่ต้องไม่มีต้องไม่มีก้อนกอลอ์นะไม่มีก้อนกอลอ์แล้วเพราะมันเข้าไปที่ตาเลยข้ามต่อไปที่ตาเลยบางคนไปอ่านลาอิมบาซัลตตาหยาก ยากไหมยากดังนั้นเอาเข้าปฏิตาเลยลลอิมบาสตะอีไลยายาดากะอีไลยายาดากะมียากี่ตัวสองตัวล yeah. ีตาโกตูลลนีมาอานาบีบาสิตะดูให้ดีนะอีกรอบหนึ่งลลอิมบาสต ใยดักลตาตลนิมาอะนาบบสตะ نبي บาลซิตอ <ق> ีเลียค <ified> ือลีอาตเลอนคฟ อีกรอบนึงนะอินนีอินนีอัลอฟุลลอฮรับบลอาลามิน อันต่อนะอินนีอูริดูเอลตะบูอับิอิสมิวอิสมิก อัลฮัมดุลิลลอิสมิวาอิสมิกอ่นอยู่ตรงนี้นะอีกรอบหนึ่งอินนีอูริดูอัตะบอับิอิสมิวาอิสมิก فَتَقُونَ ت َัُ و ن َ مِن ม่อาศฮับินน وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ อาคีอยู่ที่นี่นะฟَาตัวอัดละหูนัฟซาหูกัดละอาค อ่าตรงนี้นะฟาตัวะอันนี้ไม่ตํอนดวงเสียงนะฟาต ว, วะอัจฟต ว, วะอนะหรือจะเน้นไปที่วาวอีกเนะี่ยฟาตวะอต้องเน้นที่เตาด้วยเพราะเตาเพราะวาวมีชะ ด, ดายามีชะ ด, ดาวาวมีชะ ด, ดาให้อ่านเน้นนะครับอียาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันฟาต ว, วะอัจเลหูนับซลนับซูฮูขอโทดีนับ ซูฮ ah, you know َกัดลาอ์กีอีกรอบหนึ่งฟตัววะَ์ลาหูนฟูฮุกัดลาอ์ี َาَตัลَัฮฺฟَ้อัศบฮาบِนัลข้าَิรินฟากต ف َลَฮฺฟَาอัศบَาบินัลขِาศิรินลิยูริยาลิอาร์ ر ะฟَนอาร์คอ ل ี่เ ف ะ بعث الله ر ُ ر ا ب ي يبحث في الأرض อาู่รอนะไม่ใช่ก่อนะกู่อีกนิดนึง ฟะُ้างัลลอ ا ي َ ب ْ ح บ ث ُบِ ي الْأَرْضِ ลิย <hi> <hi> ูริยาหูไคฟายูวาริซาอูอัตอาคีนะอันนี้แบบเป็นการลงแบบ นิ่มนวนนะครับห้ามาดิลล่าเมื่อกี้พอยาวไปกี่ก็ไม่ไหวตัดไปลมเหลืออ่าห้ามดูดินละอ่ะต้องกูรอบแล้วกันนะกาลียไวัยลตอาเัส أن นเอกร์นิสละแห่งก มีต้นมีกอนกอละด้วยกนกอละด้วยกรอบนะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงฟะกอลยาไวลาตอาอายสตอันอาลิฟกอนออายาสตอันอากูอันอากูนะตัวอาลีฟอีกอันหนึ่งนะอันอากูน่ะอีกรอบหนึ่ง “ข้าَลยََอَวิล ت ُ أ َเْสต์َูแอนอะคَู่ามิลล์ฮาดะลูรา” ว่าอุวาลิยาสูอِตอัครีฟ้าสบะฮ์มิ่นนนาดิมินอ่ะมาดูความหมายกันนะครับ อัลฮัมดุลิลลาฮ์นวัดลูอะฮิมและเจ้ามูฮัมหมัดวัดลูตรงนี้ก็หมายถึงจงอ่านให้พวกเขาฟังตรงนี้ก็หมายถึงให้เล่าเรื่องราวนะครับคำว่าอ่านให้ฟังกับเล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องต่างกันไหมอ่าต่างกันยังไงถ้าถ้าเล่าให้ฟังกับอ่านให้ฟังความแม่นยำถูกไหม เล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้แต่ถ้าอ่านให้ฟังนี่แสดงว่าตามตัวหนังสือเ ป, เป๊ะเลยเหมือนคุตาบาเนี่ยสมมติเขายื่นแผ่นกระดาษมาให้ฉันคุตาบาถ้าฉันคุตบาตามนัง่งตามอ่านฉันก็อ่านตามไปเลยอีหม่าม่าก้าเนี่ยเขาไม่ได้นะต้องอ่านตามที่เขามีโน้ตเอาไว้แต่ถ้าเล่าเนี่ยดูมัง่งไม่ดูมัง่งแล้วก็เล่าออไปตามความความอะไรนะตามความรู้ที่เรามีดันั้น เวลาบอกวัดลูกอ่านเลยหิมนาบะอับบันนายอันนี้หมายถึงเรื่องที่จะอ่านให้ฟังนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นความจริงไม่ได้มีการแต่งเติมใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปไปลดทอนไม่ใช่ตามาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ่ะต่อมาเล่าเรื่องอะไรและเจ้าจงและมุฮัมมัดเจ้าจงอ่านให้เขาฟังซึ่งเรื่องราวของอิบบันยลูกชายสองคน ของใครอาดัมลูกชายสองคนของนบีอาดัมซึ่งในกุฎีอ่านเนี่ยไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรบอกแค่นี้แหละแต่ในฮะดีสบอกชื่อด้วยก็คือชื่อกอบินกับฮาบินกอบินเนี่ยเป็นพี่ฮาบินเป็นน้องกอบินถ้าเป็นภาษาอังกฤษชื่ออะไรรู้ไหมเคนอ่านั้นใครชื่อเคนเนเนี่ยมันจะโหดหน่อยนะเพราะเค็นนี่คนฆ่า ส่วนฮาบิลหรือว่าฮาบิลเนี่ยเป็นคนที่ถูกฆ่ากอบินกับฮาบินเป็นลูกชายของ น, บ, อ น, บ, นบีอิบอนบีอาดัมบิลฮักคำว่าบินฮักบินฮักตัวนี้ก็คือให้เล่าตามความเป็นจริ ง, งที่บอกไปแล้วไม่มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปปรากฏว่าขณะที่ทั้งสองอิสก ba, ุรบากุรบานัน ทั้งสองเนี่ยได้ทําการพรีซึ่งของพรีคําว่ากุฎบาตก็หมายถึงทําถ้าเป็นบ้านถ้าถ้าแปลเราแ ป, ปกาลกุฎบาตก็ทําเชือดวัวใช่ไหมทำกุฎบาตกุฎบาตรจริงๆก็คือสัตว์ที่เราใช้พรีหรือของที่เราใช้พรีแต่บ้านเราทุกวันนี้จะใช้คําว่ากุฎบัตรกับการเชือดสัตว์แต่ในสมัยของนบีอาดามะลิสาลามเนี่ยกุรบัตไม่ได้จะมีเฉพาะรูปแบบของสัตว์อย่างเดียวแต่มีในรูปแบบอื่นด้วยปรากฏว่าก็ต้องเท้าวความต่อมาว่า ปรากฏในเรื่องราวของชาวซาลับอัลลอฮสุบัานะหัวตาและได้วางบุบัญญัติให้มีการแต่งงานจับคู่กันคือสมัยก่อนมันมีอยู่แค่สองคนก็มีแค่นาบีอาดัมกับพนางฮาวะแล้วก็มีลูกพนางฮาวะในเวลาคลอดเนี่ยเขาได้จะคลอดเป็นลูกแฝดแฝดผู้ชายคนหนึง่งผู้หญิงคนหนึง่งคู่ของกอบินก็ได้ผู้หญิงมา แต่ผู้หญิงที่เป็นคู่กอบินเนี่ยที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยนะพป็แฟนแฟนคู่กันเนี่ยคนเนี่ยสวยมากเลยหลังจากขอดกอบินกับผู้หญิงที่เป็นคู่เขาเนี่ยก็ขอดฮาบินมาอีกคนหนึ่งและแน่นอนผู้หญิงที่อยู่กับฮาบินเนี่ยเิเลไม่สวยคราวนี้เวลาอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาลามมีบัญญัติให้แต่งงานเนี่ยไม่ให้แต่งงานพี่น้องท้องเดียวกัน ให้แต่งงานอีกท้องหนึ่งก็เป็นพี่น้องกันน่ะแหละแต่สลับคู่กันคนละท้องบางคนบอกอาจารย์งี้ก็ได้ไม่ได้พี่น้องสมัยนี้ไม่ได้แล้วห้ามแล้วน่ะนี่ไม่ได้น่ะไม่ใช่เรามีลูกปั๊บเอาลูกแต่งงานไอ้คนโตไปแต่งคนน้องเสร็จเลยไม่ได้ฮารอมแต่สมัยนั้นมันไม่มีใครมันมีอยู่แค่นี้แหละบางคนก็บอกแล้วจาไม่มองคนอื่นแต่จะมองใครเลยก็มีอยู่แค่นี้ยไม่มีใครเลือกแล้วก็มีอยู่สองคนอีกคนนึงขี้เล อีกคนนึงสวยคนที่เป็นเป็นอะไรเป็นพี่ชายก็หลงรักน้องสาวท้องเดียวกันเพราะสวยแต่นบีอาดามให้ไปแต่งกับ น, น้องขึ้นทีเลก็มาร้องเรียนกับ น, นบีอาดามบอกนบีอาดามจ๋าอายอฉันจะแต่งคนสวยอะ่ะอายอสั่งฉันฉันไม่เอาฉันจะแต่งคนสวยแล้วท่านนบีอาดามจึงบอกว่าอัลลอฮ์มีบัญชาให้ทํากุรบันหาอะไรหาสิ่งมา ถวายเดี๋ยวเอ า, าล้อสุบฮานะฮุอาตาแหละเพรากฏว่าสองคนเนี่ยอาชีพไม่เหมือนกันกบินทําปลู ก, กเกษตรอ่าทําเกษตรในนี้ไม่ได้บอกได้ทาอะไรนะสวนอะไรไม่รู้แต่ทําเกษตรปลู ก, น, น, กนู่นปลูกนี่เกษตรอีกคนนึงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะวันที่ทําพรีก็ทําพร้อมกันอีกคนนึงก็เอาผักเอาของกเกษตรเนี่ยมาวางเอาไว้แต่บางรายงานเขียนว่าไอ้ของที่เอามาไว้เนี่ยมีเน่าด้วย ไอ้ของสวย ๆ, ๆเนี่ยเก็บเอาไว้ไอ้ของเน่าๆเนี่ยเอาไปพรีกัลเหอส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยคัดแกะคัดแพะที่สวยที่สุดเด่นที่สุดในฝูงแล้วก็เชื่อถวายแด่อลอส่วหลังจากนั้นออลลอ์ก็รับโดยให้มันมีมีอะไรนะมีบางอย่างเนี่ยขึ้นไปเลยหายไปเลยการรับแบบนี้เลยนะหายไปเลยเป็นสัญญาณบอกสวยอันหนึ่งอยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่าลอรับอลลอรับของใครของฮาบิน ยกไปเลยยกของที่ที่เป็นแพ้เนี่ยของฮาบินเนี่ยขึ้นไปเลยแล้วก็บอกต่อเฟตูคุบบิลห์มินอาฮัดีฮีมาวลามยุตากับเบลมินอาคอทนะอาคอทก็คืออีกคนหนึ่งอัลลอฮ์รับอีกคนหนึ่งและไม่รับอีกคนหนึ่งรับของใครรับของฮาบินไม่รับของกอบินพอเท่านั้นแหละ พออัลลอฮตัดสินแบบนี้ไม่พอใจเพราะรู้แล้วตอนนี้ตัเองต้องแต่งไงาคนขี้เลอะฟอักอลาลาอกตูแลนักก็เลยพูดขึ้นมาเลยพูดว่าไงเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เขาตรงนี้ก็คือฮาบินนะจะอะไรจะฆ่าฮาบินให้ได้กอบินจะฆ่าฮาบินให้ได้นะครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการตายเกิดขึ้นบนโลกเลยก็ยังไม่มีใครตายเกิดขึ้นบนโลกนะตรงเนี้ยพี่น้องครับทำไมอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى เอาเรื่องนี้มาเล่าในสุรสมาอีดะซึ่งเมื่อกี้ก่อนหน้า น, นี้เราเรียนเรื่องนบีมูซาพูดถึงบนันีสซอิลยู่ดีมาเล่าเรื่องนบีอาดัมมันต้องมีเหตุสิสาเหตุที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เอาเรื่องกอบินฮาบินมาเล่าเนี่ย เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของความอิจฉาดิษยามันเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือลูกชายเนี่ยกี่ดีมาก <c oughs> ขึ้นกับลูกชายของนบีอาดัมและถามว่าพวกเยฮูดเนี่ยมันอิจฉาไหม <c oughs> ก็ที่มันไม่รับนบีอามอาฮ์มัดสุลตานลอฮวาเดวซัลลัมก็ไม่อิจฉานี่แหละเทตที่มันปฏิเสธสันธรรมต่างเพราะอิจฉานี่คือที่มาอันตรายของความอิจฉาริษยาการอาธรรมของลูกหลาน ของลูกของนบีอาดัมที่คลานตามกันมาก็คือฮาบินกับกอบินว่าคนหนึ่งได้ฆ่าพี่น้องของเขาอย่างไรเอาชนะด้วยการชิงดีชิงเด่นกันอิจฉาดิษยาการสุดท้ายแล้วอีกคนหนึ่งก็ต้องได้รับกับไหยะนะนะมันมันไม่มีข้อดีมันไม่มีอะไรดีเลยถ้าเราอิจฉาดิษยาแล้วก็เอาชนะกันชิงดีชิงเด่นกันนะครับเล่าให้ชาวยิวฟัง ก็ทุกวันนี้แหละมันถึงทุกวันนี้เลยนะอ้าวต่อมากกละอินนามายะตโกบบาลุลโลหูมีเนลมุตตะกีนอัลลอฮ์อายะนี้สําคัญมากเลยนะปิดท้ายอัลลอฮ์จะรับการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเป็นคนที่อะไรยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าทําแบบลวกๆทําให้พ้นทําให้ผ่านอัลลอฮ์รับไหมเนี่ยไม่รับเหมือนทุกเรื่องเลยนะนี้ทุกเรื่องนะ จะไปบริจาคเ อ, อ้เห็นของมันเน่าดีกว่าทิ้งเอาไว้เอาเอาไปให้เขากินหน่อยเว้ยเนี่ยแปลงจะหมดอายุแล้วไ อ, อ้ยี่นเนี่ยสักคนคนมุตตะกินไม่ได้ไม่ไดคนมุตตะกินคนมุตตะกินต้องคัดสรรเอาของดีๆมาเลี้ยงเห็นไหมทุกวันนี้อันเนี้ยทำนิลาของดีหมดเลยนะเ อ, อเก็บไว้สองวันยังไม่เสียเลยเนี่ยของดีทั้งนั้นนะเวลาจะละหมาดก็ต้องละหมาดให้ดีเวลาถือสินอดก็ถือสินอดให้ดีตรงเนี้ยทาให้ซอบา้างอ่านอายะเนี่ยแล้วก็อ่านทวนอยู่ประมาณหลายรอบ และคิดกับตัวเองว่าทุกวันนี้ที่เราทําอิบาดาเนี่ยเราทําแบบผ่านๆหรือเราทําแบบด้วยความยำเกรงอมเนาะทาด้วยความเกรงกลัวมีอัตถรรทไม่ในการทําอิบาดาเออพี่น้องรู้ไหมคนกล่าวชาฮดาเนี่ยที่มารับชาฮดากับฉันเนี่ยพอจะดูออกนะฉันพอจะดูออกนะใครที่มากล่าวชาฮดาแล้วก็น่านี่นิ่งเลยนะหลังจากนั้นผ่านไปเดือนสองเดือนเนี่ยข่าวเริ่มไม่ค่อยดีละ แต่บางคนที่กล่าวชาด้าและน้ําตาไหลมีใบหน้าที่มันเปลี่ยมบางทีเอือกอึกอื้นเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามันเข้าแน่นอันนี้แค่เบื้องเบื้องต้นนะฉันไม่ได้ว่าโอ้โหต้องหุกลมขนาดนั้นแต่ไอการที่เขากล่าวออกมาเนี่ยมันกล่าวมันจากในก้นบึ้งของหัวใจมันมีลักษณะมันบอกแต่ถ้ากล่าวแบบให้มันผ่านไปเพราะว่าจะิก้าแล้ว <laughs> ต้องรีบกล่าวก่อนไออย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะไม่ถูกตอบรับเนี่ยมีเยอะนะอ้าวต่อมา อัลลอฮบอกลาอิมบาสัอิลยยาดกะลีกตุลนีมานะบิบาซิยดียดีาอิลกะลีอะกตุกหากท่านก็คือกอบินเนี่ยยื่นมือของท่านมายัางฉันฉันก็ไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อฆ่าท่านแท้จริงฉันกลัวอ oh ัลลอฮอินีอคอฟุลลอฮรบบัอาลมีน แท้จริงนั้นฉันเนี่ยกลัวอัลลอห์นะพระเจ้าแห่งสากลละโลกมีฮะดิษอยู่บทหนึง่งก็อธิบายคำนี้ได้ก็คือนบีบอกว่าอิสตาวาจ่ามุสลิมานบีไซไฟฮิมาบอกงี้เมื่อมุสลิมสองคนเนี่ยจับดาบเผชิญหน้ากันสมมุติฉันโกรธทะเลาะ ก, กับกีกีโมโห ฉันก็โมโ ห, โหกีก็ไม่ดูไวเลยนะโมหโหคนเรา บ, บางทีมีหลุดกีก็ไปหยิบดาบมาฉันก็หยิบดาบด้วยโมหโหทั้งคู่เลยทะเลาะกันฟัลกอติลุมัตตูลูฟินนาทคนที่ถูกฆ่าคนที่ฆ่าเขาลงนรกทั้งคู่เลยก็ลุยารอัลสุลลาะฮาแดก็ติลุมฟาเมบ่าลุนมัตตูลเข้าใจคนที่ไปฆ่าเขาเนี่ยลงนรกเพราะไปฆ่าเขานี่ แล้วทำไมไอ้คนถูกฆ่าเนี่ยลงนรกด้วยไอ้คนถูกฆ่าเนี่ยสมมุติฉันกําลังดีกว่าฆ่ากีได้กีกับฉันเนี่ยอยู่ในรกเหมือนกันอันนี้สมมุตินะกีหน้าใจเย็นนะกีมองหน้าละเรื่องสมมุติทั้งนั้นแหละเออเรื่องจริงให้อลอตัดสินนี่เรื่องสมมุติอา้าวคนถูกฆ่าเนี่ยเขาได้รับเขาเขาเสียชีวิตไอ้ฉันเนี่ยไปฆ่าเขาตำรวจก็ต้องจับฉันติดคุกถูกต้องใช่ไหมตามตระกฎหมายอา่า แต่ทาไมละกีลงกรุณากด้วยนบีบอกว่าอินนาฮูฮารีซุนอาแลกอเดซอฮิบบอกว่าถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะฆ่าเราเหมือนกันคือทุบคือเป้าหมายในการตรงนี้ก็คือต่างคนต่างจ้องจะจะฆ่ากันแต่อีกคนนึงกําลังเหนือกว่าจึงฆ่าสําเร็จอันนี้ไม่ได้พูดถึงในสงครามนะถ้าสงครามไม่ว่ากันอันนี้พูดถึงใช้ชีวิตในระมโหกันต่างคนเถอดต่างถือมีดด้วยกันฟันกันอีกคนตายอีกคนหนึ่งไม่ตาย กลายเป็นไอ้คนฆ่าเขาลงนรกไอ้คนถูกฆ่าไ ม, ไม่ไม่ลงนรกแต่คราวนี้เราดูในข่าวสิมันไล่ฆ่ากันทั้งคู่แหละฟันกันทั้งคู่แต่อีกคนหนึ่งฆ่าเขาตายเสียท่าเสียเปรียบแต่จริงๆในะทั้งคู่เนี่ยลงนรกทั้งคู่นะไอ้คนตายก็ลงนรกดังนั้นวิธีการไม่ลงนรกคือไงก็ทําเหมือนฮาบินฮาบินบอกว่าแกหยิบดาบ ม, มาฉันเฉยแกฆ่าฉันแกก็รับบาปไปส่วนฉันก็กลายเป็นผู้ถูกอาธรรม ซึ่งอันเนี้ยเป็นคําพูดของใครรู้ไหมเป็นคําพูดของท่านอุสมานด้วยวันที่ท่านอุสมานเนี่ยถูกล้อมบ้านอุสมานอ่านอายาน่นี้ให้อะไรให้คนที่มาเฝ้าท่านอุสมานเนี่ยฟังเพราะบางคนที่ต้องจะมาฆ่าท่านอุสมานเนี่ยแน่นอนถ้ามีทหารอยู่ทหารปล่อยไหมก็ไม่ปล่อยก็ต้องฆ่าไอาพวกนี้แน่มันมากันสิบคนไอพวกนี้โดนฆ่าหมดอย่าให้ฉันเป็นเหตุทําให้มีคนตายเลยแต่ท่าน ตายไงสุดท้ายท่านตายเอ่อก็ไล่คนที่ล้อมคนที่เป็นทหารเฝ้าเนี่ยกลับไปบ้านให้หมดและก็ฝากกับฉันชีวิตฉันไว้ก่อนล้อยอมตายคนเดียวแน่นอยคนฆ่าก็ต้องลงนรกส่วนฉันถูกฆ่าจะไปลงนรกได้ไงฉันได้ช้าสวรรค์สิเพราะว่าฉันไม่ได้ไปสู้ไปสู้กับเขาอ่าอันนี้ก็ต้องยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะถ้าสมมุติมีคนจะมาทําร้ายเราเราสู้ได้ไหมสู้ได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะเราไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องเขานะเขาบุกมาจะทําร้ายแล้วเรามีอาวุธ เพื่อป้องกันตัวอันนี้ไม่บาปแต่กําลังพูดถึงไม่มีอะไรเลยทะเลาะกันและต่างคนต่างหยิบ ม, มีดสู้กันอันนี้คนละเรื่องแสดงว่ามีคนต้องคืนมีคนเริ่มก่อนนะอา้าวต่อมาอ่นานะบีฮ า, าบินบอกงั้นเสร็จแล้วปั๊บอีอายะหนึ่งแท้จริงฉันต้องการที่จะให้ท่านน่ะนำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไป และท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรกนั่นแหละคือการตอบแทนของผู้ที่อาธรรมนี่อายาที่ยี่สิบเก้าพี่น้องดูไหมตอนที่ฮาบินเนีอนอนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยกอบินเนี่ยไปถึงและคิดะจะฆ่ามันก็เอาเอาเอ า, เอาหัวของฮาบินเน่าพาดเอาไว้กับไม้แต่ไม่รู้จะฆ่า ย, ยังไงฆ่าไงวะทำยังไงให้จะทําไงให้ตายไม่รู้เพราะมันยังไม่มีการฆ่ากันบนโลกเลยแล้วก็ไม่มีการตายด้วย อิบลิสถามถามกับกอบินบอกแก okay, จะฆ่ามันใช่ไหมใช่ฉันจะฆ่าเอาก้อนหินมาสิก้อนใหญ่ๆทุบไปที่หัวทุ่มไปที่หัวมันแนะนําแบบนั้นกอบินก็หยิบเลยเอาก้อนหินทุ่มไปที่หัวพอทุ่มที่หัวปับ๊บเลือดไหลเป็นแผลหลังจากนั้นก็นิ่งก็ยังไม่รู้ตายป่ะนายนิ่งเนี่ยพอไม่รู้ว่าการตายไปยังไงแต่เลือดไหลไม่หยุดเลย เสร็จแล้วไอ้เจ้าอิบลิสไปบอกกับพนางฮาวะนี่อยู่ในฮะดิษหมดเลยนะไปเล่าให้พนางฮาวะฟางังบอกว่าฮาวาตอนนี้ลูกของท่านก็บินเนี่ยฆ่าฮาบินแล้วฮาวาถามว่าหายฮาวะก็บอกว่าหายยะแล้วตอนนี้เขาถามว่าฆ่าด้วยอะไรอิบลิสไม่ตอบอิบลิสตอบอย่างเดียวบอกว่าตอนเนี้ยฮาบินกินอะไรไม่ได้แล้วดื่มอะไรก็ไม่ได้แล้วกรดิกไม่ได้แล้วฮาวาจึงบอกว่านั่นคือการตายใช่ไหมเพราะยังไม่รู้ ว่าตายไปยังไงนะ้าบอกนี่คือการตายแน่เลยหลังจากนั้นก็เสียงร้องออกมาของพนางฮาวาของแม่นะครับจนกระทั่งไปได้ยินนบีอาดัมนบีอาดัมก็ถามว่าใครเป็นอะไรความที่พนางฮาวาตกใจรู้ว่าลูกเองตายแล้วเนี่ยพูดไม่ออกถามกี่รอบว่าลูกเป็นอะไรใครเป็นะไรก็ไม่ไม่บอกจนกระทั่งรายงานทาริสเนี่ยจบไปพูดอะไรไม่ได้เลยมันเซออึกอยู่ในหัวใจพูดไม่ออกถามเท่าไรก็ไม่ได้ พูดไม่ออกเลยความเสียใจของคนที่สูญเสียลูกและไม่ได้สูญเสียธรรมดาด้วยพี่น้องฆ่ากันคือถ้าไปตายไปแก่ตายก็อีเรื่องนี่พี่น้องฆ่ากันทะเลาะกันอิจฉากันเรื่องอะไรเรื่องความสวยเรื่องแต่งงานอ่ะพี่น้องครับดังนั้นกอบินเนี่ยกลายเป็นคนที่ลงได้บาปเยอะที่สุดเลยทําไมรู้ไหมในที่ที บ, บ, บอกว่าแลตุกแลทุกตะลุนนับซุนซุ่นมัน ทุกชีวิตที่ถูกฆ่าโดยที่ไม่มีความผิดแปลว่าถ้าโดนประหารชีวิตนับแมมไม่นับไปฆ่าคนเพราะในสงครามไม่นับอันนี้พูดถึงการฆ่าคนที่ไม่มีสาเหตุไม่มีความผิดไปฆ่ากัน่าเรื่องอื่นนะนะอิลกานาและอิบนาอาดัมลูกชายของลูกอาดัมคนแรกก็คือกอบินเนี่ยอวัลิกิฟลุนมินดามิฮาริอันนาฮูกานาอวัลามันซันเะก็ษ เขาจะได้รับบาปทุกคนเลยที่ฆ่ากันบนโลกเนี่ยแล้วพี่น้องที่ดูบนโลกนี้ฆ่ากันเท่าไหร่โอ้โหรับบาปทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะเป็นคนแรกที่เริ่มการฆ่ากันบนโลกนี้ hadis นี้เป็นเป็นอะไรเป็ น, เ ป, นเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนเริ่มบาปขึ้นมาใหม่คิดคนสมมุติคนคิดยาบ้ายาบ้าบนนี้มันไม่มีบนโลกนะมันไม่มีมาสมัยรบีอาดันไม่มีผมดูแล้ว ม, มันเพิ่ง ม, มาเกิดสมัยไม่นานเนี่ยอย่ามาอย่าบ้าเนี่ยไอคนคิดคนแรกทำยาบ้าไอนั่นหละรับบาปไปเรื่อยเลยใครมีใครเสพยาบ้ากี่คนมีกี่คนกี่คนกี่คนฆ่ากันตายเพราะยาบ้าไอคนคิดคนแรกรับบาปไปยาวๆเลยนะระวังให้ดีนะใครเป็นคนคิดิเริ่มอะไรที่เป็นบาปขึ้นมาก็จะรับเช่นเดียว ก, กันกับคนที่คิดเรื่องความดีเนี่ยใครเป็นคนตัวตั้ง ต, ตัวตีมาเรียนกุตอ่านกันเนี่ย อ่าก็าแต่ครั้งแรกอ่านเบรับผลบุญไปยาวๆไปเลยเต็มๆเป็นคนเริ่มได้ทั้งหมดฉันด้วยได้บุญของฉันด้วยได้บุญของพี่น้องมาเรียนแล้วก็ youtube เอาไปออกอีกโอ้โหวันในมรุกิสิบลอ้อขนรถผลบุญเนี่ยอันนี้ฉันแปลวะนะไม่ดูเปนมองไม่เห็นหรอก <c oughs> แต่วันเกียมันจะเห็นหมดเลยดังนั้นเราต้องเป็นคนเริ่มความดีอย่าไปเริ่มความชั่วนะครับอัลฮทำตัวดีละเอ้าต่อมา อ่าฟาบาสัลฮูกรอบฆ่ากันตายแล้วฆ่ากันตายแล้วคราวนี้งานเข้าอีกเอ่อแล้วจิตใจของเขาเนี่ยอ่าฟาเาวะขอโทษทีงานหนึ่งฟาเตวะละหูแล้วจิตใจของเขาก็คอยตามในการที่เขาจะฆ่าน้องชายของเขาไอ้ที่เขาบอกคอยตามคือใครมายุที่บอกไปแล้วอีบลีสมันมายุมันมาบอกด้วยวิธีการฆ่าเป็นยังไง และเขาก็ฆ่าน้องชายของเขาดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนที่ขาดทุนนะครับอา้าวต่อมาเพื่อตายแล้วทำยังไงฟาบาซาลอคูกรอบอัลลอฮ์ก็ได้ส่งนกกามาตัวหนึ่งมาคุยในดินอันนี้ในนี้บอกว่าตัวหนึ่งอ่ามาคุยในดินเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นว่าเขาจะฝังน้องชายอย่างไร คือบางคนจะเข้าใจว่าให้มาจิกกันตายมึงใช่ไหมมาจีกกันตายเสร็จแต่ที่ฉันที่เคยได้ยินฟังมาไนะจิกกันตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งตายแล้วก็กลบแต่เนี่ยในกุฎานเนี่ยบอกว่างี้อัลลอฮ์ส่งนกกามาตัวหนึ่งมาคุยดินมาคุยเลยก็คือทําท่าเหมือนคุดดิ น, น่นเละเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นว่าจะฝังศพน้องชายอย่างไรอ่าเดี๋ยวผมขอดูกันไนะ อัสซุดดีรายงานในกุฎานบอกว่าส่งอีกามาแล้วก็มาขุณอัสซุดดีรายงานตามที่กล่าวมาพาดพิงไปถึงซอบาซอบาเล่ามาอีกทีหนึง่งเล่าว่าเมื่อลูกชายอาดามตายนั้นคนที่ฆ่าก็ได้ปล่อยศพทิ้งเอาไว้ที่โลกมรู้วยทำยังไงศพก็นอนอยู่โดยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับศพฝังไม่เป็นครับเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จะจัดการศพยังไงอัลลอฮ์ส่งนกกามาสองตัวที่กีบอกอันนี้จากขดิษฐ์ ให้มาต่อสู้กันนะและอีตัวหนึ่งก็ได้ฆ่าอีตัวหนึ่งมันจึงทาให้ดินเน่เป็นหลุมและก็เอาอีตัวทิ่ตาายนี่ลงหลุมไปและกบหลุมนั้นเมื่อกบินเห็นก็กล่าวว่าโอ้ความพี่หน้าของฉันฉันไม่สามารถเป็นนกกาตัวนี้ที่ฝังศพน้องชายของฉันเชียวหรือนะหมายความว่าตรงนี้พี่น้องนกเนี่ยเวลามันทาอะไรกันแล้วแต่เนี่ย พอมันตายเสร็จมันจบไหมมันจบแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่ต้องไปรับบาปอะไรอยู่แล้วัเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีบาปอะไรอยู่แล้วนะแต่มนุษย์เนี่ยเมื่อตายไปแล้วฝังแล้วมันไม่ได้จบอยู่ที่ฝังไงถูกไหมจะต้องไปรับบาปในในโลกหน้าอีกจ้ะไม่เป็นไรจ้ะไม่ไม่เช็ดอยู่เช็ดอยู่ นานๆทีจะได้ อ, อ่ะปิดท้ายนะครับอีกนิดนึงนะจะจบละอลัลลอ์บอกตัวอัลฮัมดูลิละเย็นแล้วจ้และอัลลอ์ได้ส่งนกกามาตัวหนึ่งมาคุยดินในกุดานนะบอกว่าส่งมาตัวหนึ่งแต่ในฮะดิษมาเสริมเติมว่ามีสองตัวนะ เพื่อที่จะเขาเห็นว่าจะฝังสบอย่างไรและเขากว่าว่าโอ้ความพินาศของฉันฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นนกกาตัว น, นี้ที่ฝังศพน้องชายฉันก็ น, นั้นหรือและเขาก็กลายเป็นคนที่ขาดทุนและเป็นคนที่เสียใจมีอยู่อันหนึ่งปิดท้ายของบทนี้เขาบอกว่ามีโทษอยู่สองโทษนะที่อัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาให้ไปรับในโลกหน้าอัลลอฮ์จะจัดการให้ในโลกนีเลยอี น, น, อนิดหนึ่งอีนิดหนึ่ง มันมินดันบินอาจดารูอยุอัจิลลออุกูบัต a ฟิดดุนยาไม่มีความผิดใดๆสมควรที่อัลลอ์จะรีบเร่งในการลงโทษในโลกนี้พร้อมกับสะสมเอาไว้ในโลกหน้าโดนทั้งโลกนี้และโลกหน้าบางบาปเนี่ยไปโดนโลกหน้าอย่างเดียวโลกนี้ไม่โดนแต่มีอยู่สองบาปที่โดนโลกนี้เลยนะหนึ่งอะไร จีนาใครทำจินา่าอัลลอฮฺจะให้เห็นในโลกนี้เลยริสกีมลกริสกงริสกีอะไรเอ่ยไปหมดพี่น้องภูมิหมายทั้งหลายหน้าตาเอ่ยอะไรเอ่ยความจำเริญความบรารักัดหายหมดและคิดดูดทุกวันนี้ลูกหลานเราเนี่ยอย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าพอพ้นจากบ้านไปกันมันไม่รู้ไปไหนแล้ว <c oughs> ก็ต้องระวังให้ดีเรื่องเนี้ยเอารู้เอาชี้สอนให้ลูกเรามีภูมิคุ้มกันฉันเองเนี่ยตอน ไปเรียนมหาวิทยาลายัยอันนี้ตัวประสบการณ์นะ่ยย้อนฉันอยู่ด้วยเนี่ยตอนฉันเรียนบางกอกวิทยาเนี่ยโรงเรียนมุสลิมร้อยเปอร์ซนแค่จะนั่งโต๊ะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เลยมีผู้หญิงมานั่งอยู่ข้างๆแล้วฉันนั่งอยู่ด้วยเนี่ยฉันลุกหนีเลยคือเขาถูกฝูปูงฝังว่าให้แยกกันโรงอาหารแยกกันเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมาอยู่ติดๆกันใกล้ๆ ก, กันแม้กระทั่งไปโดนตัวกันนะไม่ได้พอเข้าไปมหาวิทยาลายัย ทำกิจกรรมวันแรกกับในนักศึกษามันโดดขี่หลังเลยผู้หญิงมันก็ถามว่าพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ติ๊บเป็นอะไรในตัวแข็งเลยโอ้โหกูไม่เคยโดนผู้หญิงเว้ยคือเป็นกิจกรรมที่มันต้องมีขี่หลังมีจับมือทำอะไรเย้ะแล้วผู้หญิงคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมนะ่นะเขาาไม่ถือหรอกทำา ไ, ไปไปโดนไอ้บางอย่างที่เขาห อ, อ, องข้ามเนะ่ะไอ้เด็กคุกคามทางเพศ แต่ถ้าจับมือการเดินกอดคอกันเขาถือไหมไม่ถือเปกติฝรั่งหนักวันนั้นอีกฝรั่งหนึ่งอมแก้มกันเลยเขาถือเป็นธรรมเนียมฝรั่งแล้วเราเนี่ยเป็นมุสลิมไอ้วันแรกเราก็ยังไม่ถือไอ้วันแรกเราก็ถืออยู่หลังๆมาเราเริ่มชินแล้วเว้ยเริ่มชินแล้วเดินทุกวันทุกวันเริ่มชินบอกกับยอะอายอะฉันเดียนอย่างนี้ไม่ได้ฉันอยากจะทำยังไงดีฉันขอดุอาให้ได้ทุนไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าแต่อยู่เมืองไทยฉันเละแน่ก็ขอดุอา ไปปรึกษา ม, มา่ว่าม่อยากจะไปเรียนต่างประเทศนะก็ขอดุอาแล้วก็อัลลอฮ์ให้มีโอกาสได้ไปสอบชิงทุนแล้วก็ได้ทุนไปอยู่ต่างประเทศแปลว่าอยู่มหาลัยเมืองไทยได้แค่หกเดือนเห็นอะไรเยอะเลยเลยเลยบอกว่าไม่เหมาะกับฉันเพราะว่าฉันเนี่ยอีหมานวันไหนอิหมานดีก็ทำนี่แหละวันไหนอิหมานตกกระเซ็ดเลยนะฉันบอกสังคมเมืองไทยเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันต้องให้ดีจีนาอัลลอฮ์ให้เห็นโลกนี้นะ ถ้าไม่เลิกนะถ้าเลิกเอาล็อเต้าบัตเอ่อถ้าเต้าบัาตบตัวก็จบไปนะเอาต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือการตัดญาติขาดมิตรซึ่งอันนี้เราจะเข้าใจวันเนรคุณพ่อแม่จริงจริงเนรคุณพ่อแม่เนี่ยอยู่ในนี้ไหมอยู่ในนี้แหละตัดญาติขาดมิตรเนรคุณพ่อเนรคุณแม่เนรคุณคนคนที่เป็นพี่น้องพี่น้องทะเลาะกันด้วยนะพี่น้องทะเลาะกันเอาล็อก็จะเห็นในในโลกนี้ใช่ไหม ตัดคาดตัดญาติขาดมิดรนะหมายถึงคนที่เป็นพี่น้องที่เป็นอะไรนะออกมาจากท้องเดียวกันที่มาจากมดลูกอะ่ะพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยหาความจำเรินไม่ได้เอาล่อให้หินโลกนี้เลยอ่ะนี่ก็คือสองเรื่องแล้วก็รวมถึงเนรคุณพ่อแม่นี่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะ มิ่ ج อาจลิ ذلك ขับนำอัล بني ฺอิสราอิล อันนั่นหูแม่ก็แต่ละนับสัมบีกอีรีนับสินเอาฟาซาดิฟิลอาอนนหมก็ตลนับสบกรนสิอาฟดิฟ เ و ف ฟ ا ซา أ َ์ในอ ف รูดิฟาเกนนามาคุตลนนมาซา جميع วَามันอภัยหากันนะ ا ل ن َّ ا ยَ ج ส م ِ ي ع ًา و ل, قد ل َ قد جاءتهم رسولنا بالبيانات ثم إن كثير มินหุมบเดกฟอาดีาุรฟูาลมิหุ่บกะฟิลอรดีลามุสรีฟูนอนดีมากนะครับ อินนามาจะ ؤ َ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ วิ الأ ่งสْูในแผ่นดَนฟ ا ดหน้าอَจตั้งศั أ รูหรือจะสั่งสอน أو يقت تع أيديهم وأرجلهم من خلاف أوجو فو من الأرض อารูจลูฮุมอ่อารจลูฮุมมูหละฮุมยูลูฮุมอรอบนึ่งเอาเอาตกอตต่ออาขอโทษทีอ่าตัวตอให้ดีนะตัวให้หนานะเอาอยู่กอตตออาเอายกอ ضع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يرفعوا من الأرض ذلك แหล خ ฮุมขีดอยู่ฟิด dunya อ่าตอนนี้คริสยูยูฟิดุ u n y ذلك ตัว ذلك นะ ذلك แหละุม ذلك แหละฮุมขีด ف ุ ا ل د ิด d u n وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ อิลลัละที่นาตาบูมิ่งกบลิอัตตะกดิรูอัลัยหิม อิลลัลลอฮีนัตบูมิ่งกับลีอัลตากดิรุอัลเลหิมอิลลัลลอฮีนัตบูมิ่งกับลีอัลตากดิรุอัลเลหิม อัลลอฮฺกฟูร์ราะมอะมาดูความหมายนะครับจารย์มาพอดีเลยนเชิญจานอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมแปลนิดหนึ่งนะ มินอาจาริยาล <ade> <S ans It> ิกาคาตาบนาเนื่องจากเหตุนี้แหละเหตุไหนอ่ะเหตุที่อัลลอฮฺได้เล่าเรื่องของการฆ่าตกรรมฆ่ากันโดยที่ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงที่ที่สามคือการฆ่ากันมันจะมีค่าที่ที่ไม่อนุญาตและการฆ่าที่เป็นที่อนุญาตนะครับเช่นการประหารฆาตกรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตนะป๋าดูแลจันนะ แบบเลือ<ห>อยู่ใกล้จัดอ่าส่วนถ้าไม่มีสาเหตุและไปฆ่ า, าก็กลายเป็นเลิมในการอาธรรมนะครับอัลลอฮ์เล่าสาเหตุของการฆ่ามาแล้วมาจากความอิจฉาอันดับหนึ่งเลยบนโลกเราเนี่ยอิจฉาริษยาเป็นสาเหตุอันดับแรกที่ทําให้มีการฆ่าฟันกันคราวนี้เราก็ได้บัญญัติแก่วงวานอิสตรออินว่าอะไรว่าแท้จริงผู้ใดที่ฆ่าชีวิตหนึ่ง โดยไม่ใช่การชดเชยชีวิตหนึ่งแปลว่าไม่ได้เป็นการประหารฆาตกรชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตนะอันนี้การประหารฆาตกรเนี่ยไม่นับคนที่เป็นเป็นเจ้าต้าเนี่ยอยู่ในอายานี้ไมไม่ได้อยู่เขาทำหน้าที่นะและในหลักศาสนาเนี่ยเขาจะอนุญาตให้คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยประหารเองก็ได้นะอ่าถ้าใจถึงอ่ะสมมุติมาฆ่าพ่อเราคนที่เป็นลูกสามารถจะเป็นคน ประหารได้อแต่ส่วนใหญ่ก็จะมอบให้กับแต่สมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องจับดาบเนี่ยเขามีทักษะกันทุกคนเพราะออกรบส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้าของสิทธ์ก็จะเป็นการลงประหารเองแต่สมัยนี้ก็ไม่มีละส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนะครับอ้าวตอนนี้เล่าต่อผู้ใดผู้ใดที่ฆ่าชีวิตหนึ่งโดยที่ไม่ใช่เป็นการชดเชยชีวิตหนึ่ง และไม่ใช่เนื่องมาจากการบ่นทําลายในหน้าแผ่นดินเช่นคนคนนี้เป็นอาชญากรฆ่าคนป้นชิงวิ่งราวฆ่าคนมานับไม่ถ้วนและถูกประหารอันนี้ไม่นับก็เสมือนว่าเขาเนี่ยได้ฆ่ามนุษย์ทั้งหมดนี่หลักการศาสนาของเรานะเราไปฆ่าคนเดียวเนี่ยเปรียบเสมือนกับเราฆ่าคนทั้งหมดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าเขาฆ่าคนหนึ่งได้โดยที่มันไม่มีสิทธิ์และดับภาษาอะไรกับคนอื่นอาจริงไหม คนคนหนึ่งเนี่ยมีมีสามารถไปฆ่าคนคนนึงได้เนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่ามันจะไม่ไปฆ่าคนอื่อดีขนาดคนนี้มันยังฆ่าได้เลยอ่าอย่างอย่างสมมติอย่างฉันเนี่ยตัวใหญ่ใญ่มันฆ่าได้กับกี้เนี่ยจะเหลือไหมหายใจกันเหนื่อยแล้วเนี่ยเกิดอย่างฉันเนี่ยมันยังเอาฉันฆ่าฉันตายเลยสมมติฉันไม่กวนมันไปบีบแตมันมันลงมาฆ่าฉันกีไปปั่นจักรยานปาดหน้ามันมีหรือมันจะเหลือนี่ไง ที่เอาล้อบอกว่าเหมือนกับฆ่าคนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไอ้คนเนี้ยมันฆ่าคนมาแล้วคนหนึ่งมันก็จะไปสาอะไรกับคนอื่นล่ะใครกวนมันมันก็ฆ่าไปทั่วและจริงไหมไอ้คนที่มันฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคนเดียวหรอกที่มันฆ่าไม่รู้กี่คนแล้วอหมนี่ไงต่อมาเราเอาล้อบอกไงก็เหมือนกับฆ่าคนทั้งมวลและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนทูตอว่าชีวิตยังไม่บอก และผู้ใดที่ไว้ชีวิตก็เหมือนกับเขาได้ไว้ชีวิตคนทั้งมวลตรงกันข้ามนะเรามีโอกาสาที่จะสมมุติไม่ใช่โอกาสเราอาจจะโมโหแล้วเราก็สบัดอดทนแล้วก็ไม่ไปทําแล้วเรากลัวบาปเราตัดสินใจไม่ไปทําการฆ่าเขาได้นั่นแหละก็เหมือนกับเราไว้ชีวิตคนทั้งอีกหลายคนเพราะมันมีครั้งที่หนึ่งแล้ ว, ลวมันจะมีครั้งที่สอง <laughs> มันจะมีมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเปนยับย้งมันไม่เริ่มครั้งที่หนึ่งมันจะไม่มีครั้งที่สองอันนี้เป็นทฤษฎีอยู่แล้ว อา้อาวเราบอกว่าแท้จริงนั้นบรรดาศาสนทูตของเราได้นําหลักฐานต่างๆอัดเจนมาอย่างเขาแล้วแต่ยังมีจํานวนหมู่เนื้อหมูคนในหมู่พวกเขาที่เป็นผู้ที่ฟุ่มเฟือยแผดินแปถึงฆ่าฟันกันอย่างมากมายถาว่าฟุ่มเฟือยนี่หมายถึงฆ่ากันอย่างมากมายอแท้จริงการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทําสงครามก่อรอดตรงนี้ต้องอธิบายมันกันนะทำสงครามก่อรอดนี่คืออะไรกระตับซีเขาก็มี มุฮาหรอบาหมายถึงทำตรงข้างฝาฝืนอัลลอฮ์และที่เป็นที่คำสท์ในวิชาฟิกก็คือการป้นสะดมป้นข่าพวกนี้มันจะโหดคือมันคือขโมป้่นชิ้งรั์ฆ่าป้นสะดมทำให้คนหวาดกลัวระหว่างเดินทางทำให้ก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเป็นโจรเป็นซ่องโจรนึกสมัยก่อนใช่ไหมป้นกลางตลาดมันไม่กลัวเลยนะกฎมงกฎหมายตารวจกลัวมันไอพวกเนี้ยอา้าว คนที่ทงสงครามก็อะ่อและรอดูนพยายามบน่นทําลายบนหน้าแผ่นดินนั่นก็คือการที่พวกเขาจะถูกประหารชีวิตหรือ <c oughs> ถูกตึงบนไม้ <c oughs> กังขีนาการตึงเนี่ยก็หมายถึงเป็นการประจา น, นถึงความผิดมือของเขาอหรือมือของเขาเอาไปแขวนขโมยเนี่ยเวลาเขาตัดมือถูกตัดมือจเจ้ามือไปแขวนด้วยไม่อยากเก็บเอาไปแขวนเอาไว้ ให้เห็นนมือขโมยใครผ่านไปผ่านมาอย่าเป็นมืออย่างนี้นะหรือตัดเท้าสลับกันหรือเนระเทศอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานความผิดถ้าดักปนเฉยเอ่าถ้าปนเฉยๆมีการทุจร้ายไ้มมีอะไรไหมถ้าฆ่าคนก็โดนหมดเลยคบหมดนะครับอ่มีอยู่ตัวอย่างหนึ่งมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งเออเผาเผาอุก อุ๊กนะมีเผ่าเนี่ยมาแปดคนเข้ามาในเมืองมา ด, ดีนะเขาเดินทางมาเนี่ยเขามาให้สตยาบันกับท่านอบีในการรับอิสลามเขาก็มาขอตั้งแคมป์อยู่ในเมืองมา ด, ดีนะต่อมาเป็นไข้ครับอากาศมันคนละคนละอย่างกันเขาอยู่อีเมืองหนึ่งเมืองอาจจะเป็นเมืองภูเขาเมืองอะไรเมืองหนาพอมาอยู่มา ด, ดีนะก็ไอ้อ า, ากาศนึงก็เป็นไข้ไม่สบาย ก็มาปรึกษาท่านนาบีมีคนมาบอกว่าเผ่าเนี่ยแปดคนเนี่ยป่วยกันไม่สบายกันท่านนาบีก็จงท่า น, นาาท่านได้กล่าวว่าพวกท่านจงนำพวกเขาเนี่ยไปไปหาคนที่เลี้ยงอูดแล้วก็ให้ดื่มนมแล้วก็ดื่มปัสสาวะของอูดเพื่อแก้โรคท้องร่วงอันนี้คนป่วยนะใครไปมาดิใครไปที่ไปทำอุมรอเนี่ยเขาก็จะมีให้ดื่มนม แล้วก็มีอันหนึง่งใส่แก้วไว้สีเหลืองๆ อ, อ่าบางคนอยากจะไปกินฉันก็ไม่รู้ป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ป่วยไม่ไ ด, ไมได้ไปกินเลยหรอกแต่นม อ, อูดในทานได้เลยแต่ถามว่าถ้าทานฉีอูดเพื่อรักษาทำได้ไหมทำได้นี่แก้ท้องร่วงอ่ากินฉุนนะฉันไม่เคยไปกินหรอกอ่าอันนี้ไม่เป็นนัยส์นะอันนี้ไม่เป็นนัยสพวกเขาก็พากันไปดื่มนมผสมกับภัสวะอูดแล้วก็สุขภาพดีขึ้น พอหายดีพวกนี้จะออกจากเมืองมันทำไงรู้ไหมมันไปหามันไปหาไอ้คนที่เลี้ยงอูดที่ให้นมมั่นแหละฆ่าพอฆ่าเสร็จก็ป้นอูดไปอีกดูความชั่วมันพอเรื่องนี้ไปถึงท่านนาบีท่านนาบีก็สั่งคนให้ไปเลยนะไปตามจับมาได้แล้วก็ไปจับมาได้มันฆ่าคนที่เลี้ยงอูดแล้วก็ป้นอูดไปนบีจึงจัดการลงโทษโดยการตัดมือตัดเท้า แล้วก็จิ้มตาให้ตาบอดแล้วก็เอาไปตากแดดตึงเอาไว้จนกระทั่งเสียชีวิตใครผ่านไปผ่านมาขอน้ําดื่มไม่มีใครให้จนกระทั่งตายก็เป็นการประหารชีวิตสําหรับคนที่โหดเยี่ยมฆ่าไม่กระทั่งคนที่มีบุญคุณแม่เขาอุตส่าห์นมอุดมาให้ไอ้นี่ฆ่าเขาเลยและในรายงานฆ่านี่ก็ถือว่าเอาเอ า, เอาไปจิ้มตาเขาด้วยนะไปทําหมดเลยเนะี่ยไปจิ้มตาไปทรมานเขาอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอัลลอฮ์ปิดท้ายอายะห์บอกว่า อินแลดละดีไปไปฆ่ามืี้บอกไว้นะเนรเทศออกไปและพวกเขาจะได้ครับอภยศจากโลกนี้และได้รับการลงโทษที่ใหญ่หลวงนอกจากผู้ที่สำนึกผิดกับตัวกับใจก่อนที่เขาจะสามารถก่อนที่พวกเขาจะก่อนที่พระเจ้าจะสามารถลงโทษพวกเขาได้พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเป็นผู้ทรงเมตตา อีกข้ออีกอันนึงปิดท้ายแล้วพี่น้องอันนี้สําคัญอยู่ถ้าไอคนคนเนี้ยมันเป็นโจรที่เก่งมากเจ้าหน้าที่จับมันไม่ได้แล้ววันหนึ่งมันขอตาวัดตัวต่วตอรถกับเนื้อกับตัวคําถามว่าสามารถเอามาลงโทษได้อไหมเอออันเนี้ยเป็นกอริฎกฎข้อนึงนะพราะามีเรื่องรายงานอย่างงี้มีอบูมูซาเป็นข้าหลวงของเมืองกูฟา ในสมัยคอลิฟ้าอุสมานก็มีชายคนนึงเนี่ยคือคนเนี่ยก่อคดีมาแล้วก็ห น, นีเข้ามาและเขาก็ยกมือขอตาบัตรตัวต่อรอคนก็อยู่กันในสุราอะนะแล้วก็มีคนบอกว่าจ้องเอาไปคดลงโทษเพราะว่าไอ้คนเนี่ยเคยก่อคดีมาอามุบุซารายงานบอกว่าถ้าเขาพูดจริงแนะ่ว่าเขาจะตาบัตรตัวจริงๆเนี่ยให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดตสิน แต่ถ้าเขาพูดไม่จริงเมื่อไรเนี่ยเขาก็จะได้รับการลงโทษเองแปลว่ากฎหมายไม่สามารถเอามาประหาชีวิตและไม่ต้องละอ่าเพราะเขาสารภาพตั้งแต่แรกก่อนที่จะถูกจับนะถ้าถ้า ถ, ถ, ถูกจับแล้วไม่ได้นะอันนี้คืออยู่ในสุราแล้วเขาก็ยกมือขออภัยโทษขอสารภาพปรากฏว่าไอ้คนเนี้ยออกไปจากสุราไม่นานก็ถูกฆ่าตายแสดงว่าการการอะไรนะการที่เขามาสารภาพเนี่ยไม่ได้เกิดจากความจริงใจถูกฆ่าสุดท้ายสุกฆ่า ส่วนอีกคนหนึ่งชื่ออาลีอันซาดีคนนี้เนี่ยเป็นโจรเบอร์หนึ่งเลยในสมัยนั้นป้นฆ่าป้นสดมส่งทหารไปปราบเท่าไหร่ปราบไม่ได้แพ้หมดอืมเก่งมากวันหนึ่งพี่น้องภูมิมีมาทั้งหลายมีมีตำรวจอยู่คนหนึ่งตำรวจคนนี้เป็นโตครู ด, ด้วยเออแทนเยอสือดาบไปปราบอ่านกุฎานให้ฟังอ่านกุฎาญให้ได้ยิน นะในสูโรอัลจุมัตบอกว่าย่าอิบะดิอัลเลดีอัสรอฟูอัลเอันฟุซิหิมลาตักนะตูมิราะห์มติลลาโอ้บ่าวของข้าผู้ที่ละเมิดในตัวของเขาอย่าได้สิ้นหวงังอย่าหมดหวังในความเมตตาของ Allah. อัลลอฮ์อ่าย่านนี้แหละนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้อภัยโทษทั้งมวลแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้อภยัยโทษผู้ทรงอภยัยโทษผู้ทรงเมตตา พอไอ้โจนทนเนี้ยมันได้ยินเสียงอาญาเนี่ก็ถามว่าอ่านให้ฟังใหมส่สิก็ฟังกูไอ่านพอฟังกูไอ่านเกิดความกลัวเลยอยากกับเนื้อกับตัวก็เข้ามาที่เมืองมดีนามาละหมาดซูบโบเจออบูฮุเรลรอแต่จบแล้วฮะเจ อ, อบูฮุเรลรอตอนซูบโบนี่ไม่รู้เป็นใครพอ ม, มืดพอเช้ามาพอนั่งอยู่ในสุราปุ๊บพอสว่างก็จําได้คนนี้คืออาลีอันซาดี ทุกคนก็ฮือมาจะเอาอาลีซาดีเนี่ยไปแหละไปจัดการเพราะเป็นโจรเบอร์หนึ่งไงข่าหัวน่าจะเยอะอยู่ปนสดมอะไรอบบูรอ บ, บอกว่าเขาได้อะไรนะเตาบัตรตัวต่อลอแล้วบัตรนี้บัตรนี้เขาถือว่าม้นพ้นอะไรพ้นผิดแล้วนะหลังจากนั้นอาลีบินอสซาดีเนี่ยก็ออกรบในหนทางของอล้าใช้ทัสสะในการเคยเป็นโจรสมัยก่อนคือฆ่าคนปนอะไรเนี่ยนะ เอามาใช้ในการต่อสู้และก็เป็นทหารเรือที่ไปอะไรนะไปไประชิดเรือของพวกโรมันและจู่โจมเรือโรมันจมไปหลายลำเลยจากคนที่เป็นมหาโจรกลายเป็นคนที่เป็นทหารรบชั้นเอกของมุสลิมนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่ามีบันทึกโดยมัมตอ บ, บรอร์นีอยู่ในฟิก์วซุนนะก็มีนะครับอ่ะซุบฮนะกอลลูมเมอบิฮัมลิก้าอัลลอฮุลาอิลาฮอลลอันตะอัสตฟิุกะวะตบิลอัสสลามุอะลกุมะรามัตุลลอฮูบารักะโ